โลกที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางได้จิตใจก็ผิดอะไรกับสัตว์โลกที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วดินแดนไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่จะให้มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือศาสนา เพราะอันนี้ศา ส, สนานี้ต่างจากโลกโลกโลกทั่วไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศา ส, สนาไม่ใช่โลกเพราะจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจเขาสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ต่างส่วนมาก เป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นแม้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะไม่สามารถรู้ตลอดตัวถึงของธรรมแต่ธรรมก็มีอยู่ในศาสนานั้นๆดูโดยดีเพราะเจตนาของผู้สอนศาสนาเป็นธรรม เรงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนานเลยเป็นหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นผู้เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัตว์ตามส่วน ของศาสนานั้นนั้นและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกภูในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อมเป็นธรรมเป็นภูมิคือเต็มพระไทยในพระไทยนั้นเป็นธรรม ทั้งดมงเลยยิงสอนศาสนานได้ไมีความถูกต้องแน่นย่างวิชาธรรมที่นำมาใช้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกโลกต้องได้มาด้วยวิวธีการของธรรมการสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาหพยายามทุกอย่าง ผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลําดับลําดามาตั้งแต่การบําเพ็ญธรรมภาคพื้นพื้นไปจนถึงธรรมอนเนกเยื่อสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลําดับไปธรรมจึงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นจิตที่แตกต่างจากโลกไปโดยลําดับ จนเป็นคนละถ้ามีโลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสยามผูคือทรงรู้เองการทรงรู้เองนั้นก็คือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสั่งสอนเพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะ เป็นศาสดาได้เมื่อเป็นทีนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวด้วยการขวนขวายของศาสดาแต่ละองค์เหวี่วิธีการต่างๆที่จะเริ่มภุ่มอัดพุธรรมขึ้นภายในพระไถยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมา โดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามผูคือรู้เองเห็นเองเพราะวันฝายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นนิสัยของสามัญชนธรรมดาความรู้ธรรมดาจะมาสอนภูมิศาสดาเพื่อความเป็นศาสดาย่อมไม่ได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์ทั้งนั้นวิธีการขวนขวายจะผิดหรือถูกประการใดก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละสัตย์ประดาที่จะพึงขวัขวายเอง ยังเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียงความบุษบาพยายามความอดความทนสติปัญญาเริ่มแปกจากโลกไปตั้งแต่เริ่มแรกอย่างการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดาในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดานี่จึงเวลาได้เป็นผลแล้วจึงเป็น สยามผูเอ็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยผ้าปฏิบัติผ้าผ้าค้นขวา้าจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่มรงดูทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดคน้นทรงอุตสาห์วันายทรงรู้ด้วยพระองค์เองอ น, นั้นจึงให้นามว่าสยามผูทุกๆพระองค์ บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนานี้เราจะเห็นได้จากภาคปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธทเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อนได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดาทรงสั่งสอน แต่วิธีการ <c oughs> ที่ปุณนั้นจะนำไปปุดค้นจะนำไปขวันขวายจะนำไปพินิพิจารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนธรรมนั้นเข้ามากลาง<ม>เหมือนเข<ม>ากลางแบบแปลงแผนถังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลยทั้งจริงมอบใ น, ในวงปัจจุบัน ของผู้นั้นจะขุดค้นด้วยสติกำลังความสามารถโดยยึดหลักส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นวิสัยของผู้บำเพ็ญนั้นจะขวัญขวายเอาเองเช่นอย่างปัญญาท่านก่แสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางๆธรรมะ ส่วนใดแงใดก็เป็นกลางๆของส่วนนั้นแง่นั้นที่จะแตกแขนงไปจากส่วนกลางจากส่วนนั้นแง่นั้นแง่นั้นนั้นั้นเป็นอุบายวิธีการเป็นการผลฝ่ายของผู้บำเพ็ญแต่และลายอะไรจะพึงทำให้ตื่นให้มีขึ้นในตนนี่หละหลักของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริง การรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้จริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกยังมีร่องรอยที่จะพึงขวัขวายหรือว่าอตตหิอัตโนนาโถเครื่อแฝงอยู่นั่นแหละเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วยังเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของ ที่ขวัญขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยยึกตื่นย่ำละหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขวัญขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นม า, มากน้อยจนกระทั่งเป็นสันที่ติโกขึ้นมาก็ เ, าเป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ น, นั่น น, น, นั้นจะพึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้น <c oughs> ผู้อื่นทราบให้แม้ได้ ผ้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความอิงอันนั้นเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <N ee> ที่พระพุทธเจ้าท่านลงแ ส, สดงว่าตุมให้กิจจังอาตัดตังอาขาตาโรตถากต า, ตาการประกอบความเพียรเพื่อ ย, ย่างที่เล็ทั้งหลายให้หดแห้งไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเอง พระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายก็ฟังะทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยเห็นนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งดุนถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอัดทำบางแน่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติและรู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพอตนนั่นจึงเป็นของจริงแท้เป็นผู้คนขวาหามาด้วยลาทํงตนเองทำ ประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจรนไนไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดอุบายดิดคาสอนของครูบาอาจารย์แล้วไปกลางเช่นเดียวเขาเข้ากลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักปฏิบัติ เราเพียงถือเอาเงื่อนนั้นมาเป็นหลักใจเนื้อแจงจากเงื่อนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นั้นพอไ ป, ปเป็นขแขนงเล็กๆน้อยๆแขนงใดก็ตามให้เป็นอุบายของเราเองเป็นเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนความควันขวยของเราเองนั่นแหละเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยกหรือยื่นให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจ ของเราโดยแท้แเป็นธรรมแพ้สําหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นไหนแท้ไปโดยลําดับลาดาของขั้นแห่งธรรมเรื่องความค่าความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันกจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บําเพ็ญ น, นั้นจะพึงฝนฝายเองทั้งนั้นจึงขอได้พากันจําในข้อนี้เอาไว้ ในเวลานี้ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นไผ่สิ่งที่เป็นข้าศึกหนาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ดในวงชาวพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทํำลายหรือจะขัดแย้งมันก็ยังมีได้เพราะสิ่งที่ขัดแย้งนั้นไม่ที่ทําลายนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเจตนามันก็ขัดได้แย้งได้ทําลายได้นี่คือ ภาคแห่งความจำภาคแห่งความคาดทะนิจะไปตรงกับความจริงไม่ได้ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเขาออกในหนังสือว่าถ้าผู้ใดหรือพระองค์ใดยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์นันพระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับยังพักผ่อนถายขันเท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลา คือหมายออกชาคฤะธรรมที่มีอยู่ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั้นแต่เวลาเอานำออกมาพูดด้วยความจำด้วยความคาดคะเนนั้นจึงผิดกันไปคนละโลกหากเข้าใกล้คิดกับความจริงนั้นแม้แต่น้อยไม่เลยกลายเป็นคนละเรื่องขึ้นมาการหลับนอน เป็นเรื่องของาธาตุของขันก็ทราบื่ยดีอยู่แล้วแล้วผู้ที่ผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองล่างอยู่นั้นคืออะไรคือชาคระหมายถึงธรรมาชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันเป็นต้นอาการแห่งความทราบในวงแห่งขัน จะเป็นอาการหลก็ต่างเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสมมุติอาการเหล่านี้ระงับตัวลงไปก็เรียกว่าขันระงับธรรมชาตินั้นเป็นชาระอยู่นอกสมมุติคือขันอันนี้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในวงสมมุติคือขันอันนี้แม้จะอยู่ในถ้ำกลางแห่งขันก็าตามชา克ะนั้นคือชา克ะเมื่อ หลับก็เป็นเรื่องของขันนี้ระงับตัวลงไปไม่ใช้อาการทุกส่วนของขันของสมมุติที่มีอยู่ในขันนี้ส่วนชาคระนั้นจะขันจะตื่นขึ้นมาตื่นจะหลับก็ตามไม่ตื่นขึ้นมาก็ตามชาคระก็คือชาคระอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่น นี่เอามาคาดสิกลายเป็นเรื่องพระพารหันนอนหลับดูแล้วก็ไม่ใช่พรารหันนี่จะเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าความคาดความหมายความจดความจากับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันดูมากทีเดียวหือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขัน เป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเพราะขันเป็นรากฐานของสมมุติอยู่แล้วขันกระดิกอะไรออกมามันก็เป็นสมมุติทั้งหมดเพราะขันระ ง, งับตัวลงไปสมมุติในวงขันนี้ก็ระ ง, งับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันไม่อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้ หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ตามอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นหรือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขันนี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันห ย, ยาบๆนี่รู้เด่นอยู่ในขันนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่ง ไม่ไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผัสสะพานกับขันกับอายญะนะแม้แต่ความรู้อยู่ธรรมธรรมดาโดยลำพังตนเองที่เด่นเด่นนี้ก็เป็นเรื่องสมมติอันหนึง่งนะที่นอกจากนี้ไปคืออะไร นั่นพูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้แบบที่รู้อยู่ในวงขันอันนี้เป็นเรื่องอาการของสมมุติทั้งหมดเจ้าความรู้เหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตได้เหรอใช่ไม่ได้ธรรมชาติตีเป็นมิมุต ที่เป็นความรู้ของพิมุตยอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งนี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มีจะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันเห็นเห็นชัดๆจังอยู่นี้ ร, รู้ชัดๆเป็นอย่างนี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษี่โสอะไรไปมันวิเศษี่โสอะไรความรู้เหล่านี้ สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเร็วไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมุตินั่นตั้งหักแม้อยู่ในขันก็ไม่ไม่ใช่ขันทั้ปฏิบัติจําให้ดีคำพูดคำนี้ท่านทั้งหลายพูดปฏิบัติจะประกาศจางวานขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นธรรมประเภทนี้แล้ว จะไม่ปรากฏบ้านนมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสำหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประการใดก็ตามจะสดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติของมัชชิมาโดยหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นการรู้การเห็นการพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตนเองในแง่ธรรมะต่างๆแล้วจะไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยจึงควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยู่ตลอดเพราะทํานั้นเป็นทำแน่ใจอยู่แล้ว วิธีการของการปฏิบตัติก็ได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่ขอ ใ, ใช้ความคิดพินิษพิจนารณาละเอียดถี่ถ้วนอย่านำเรื่องโลกคือเรื่องกิเลสเข้ามาแย่งชิงเข้ามายึดเราภูมิอำนาจเราเป็นเครื่องมือของมันทั้งทั้งที่ประกอบความภาพเพียงอยู่แล้วก็คิดเป็นนิสัยแบบโลกโลก ให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนี้ให้เป็นขั้นนั้นให้เป็นภูมินี้ไปหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิสัยของโลกนิสัยของจิตเรศซึ่งเคยทําลายทำมาเป็นเวลานานอยู่แล้วและก็มาทําลายอยู่ในวงความเพียรของเราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ขอให้ยึดในหลักปัจจุบันเสมอในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขุดค้นลงในสติปัฏฐานสี่ นี่แหละคือคลังแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ในอริยสัจสี่ให้ฝังใจให้ลึกท่ามทั้งสองประเภทนี้ไม่เอี่มอยู่ในตัวของเรานี่หนผลที่จะได้จากสัจธรรมทั้งสี่และสติปัฏฐานสีนี้เขาไม่เอี่มอยู่ในจุดเดียวกัน <c oughs> ไม่มีการไม่มีสถานที่ที่จะว่าใหม่หรือเก่า นอกจากพูดว่าไหม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้น <c oughs> คือเป็นธรรมของจิินล้วนๆ <c oughs> จึงพูดได้ว่าหม่เอี่ยมตลอดเวลาไม่ละความจิง น, นี้จะเอาความข้ามร้าวไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้อย่างไ ร, รงพิจารณาตรงนี้ทุกเก็ ให้ยอมรับว่าทุกข์แต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเขียงรองในทุกข์นั้นจะถูกทุกข์นี้สับเอาแหละโทษก็ยอมว่าทุกผู้ที่รู้ว่าทุกข์มีอยู่ให้กําหนดเรื่องความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งสําคัญมากในขั้นเริ่มแรกนั้นทุกข์ตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนา เ, เด่นกว่าเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งเพราะกอบความเพียร น, นานๆก็ดีศัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อศัจธรรมอันนี้เด่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปรองศัจธรรมนี้ว่าเราเป็นทุกข์นี่จะทำให้ความท้อถอย่อนแอท้อแท้ และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กาลังแสดงขึ้นคือทุกข์สคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการจะทุกข์มากทุกน้อยให้ดูจุดของทุกข์เอ็มหัวใจสติมีเท่าไหร่จอะเข้าไปปัญญามีเท่าไหร่คลี่คลายออกดูระหว่างทุกข์กับกายกายนั้นอวัยวะส่วนไหน ช <c oughs> ิ้นใดที่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนในวงแห่งกายนี้แยกดูด้วยความอยากรู้จริงเห็นจริงอย่านําคําที่ว่าอยากหายทุกข์อยากให้ทุกข์หายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสับเอาความอยากนั่นคือกิเลสแท้ๆคืออยากหายนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่า ความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี้นี่ความอยากนี้เรียกว่ามรรคเอาอยากลงไปอยากเท่าไหรย่ยิ่งฝุดยิ่งโค้นเป็นมรรคให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทานานี้เป็นอันเดียวกันจริงๆิหมายแยกดูแล้วย้อนดูใจกับทุกขเวทานากับกาย ทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นอันเดียวกันไหมายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกันให้ปัญญาเป็นผู้ทํางานแยกแยกแยกตรงไหนจ่อตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตาม <c oughs> เป็นเหมือนกันนี่ไหม่เป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ใหม่ทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนร่างกายส่วน น, นั้นๆัใหม่มันเป็นอันเดียวกันใหม่ถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลาแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกั น, นทุกก็จักแต่ว่าทุกขที่ปรากฏดูตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นและเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่และยำจะต้องดับไป กายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้พ่อเจริญตเติเบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วจะนําเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกทุกเป็นเรื่องของกายกายกับทุกข์เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาโดยปัญญาจิ ก็เป็นสภาพที่รู้ๆเวลาทุกขเวทนานี i s ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนานดับไปจิตก็รู้อยู่เช่นนี้และเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเป็นอันเดียวกันจริงๆเมื่อทุกเกิดขึ้นจิตถึงจะความรู้ถึงจะปรากฏทุกดับไปแล้วความรู้ก็ต้องดับไป ตามความทุกนั้นจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นี่ทุกก็เป็นทุกรู้ก็เป็นรู้ทุกมากทุกน้อยพูดที่รู้รู้นี้ไม่ลดความรู้ของตนรู้อยู่โดยสมังเสมอนี่จึงเรียกว่าจิตแยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องรั่วตายนั่นแหละคือชมูทัย ต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงย่าหมายอยากคาดอันใดในขณะที่พิจารณาการอยู่เวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกเนนันเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตกที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจับด้วยสติปัญญาของตนนี้ไม่แตกสิ่งโั้นนั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาคานมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดิน คือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะรธรรมได้แจะสัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจรรารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัยคือตัวสําคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกว่าเราเป็นทุกว่าขาของเราเป็นทุกหนังเราเป็นทุกเอ็นเนื้อกระดูกเป็นทุกนี่เป็นเรื่องของ ขโมยไทยที่มันไปเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลําดับลาดาทั่วสารพรางร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสําคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็เมื่อความสําคัญนี้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาทุกที่ว่าเป็นอยู่ในร่างกายนั้น สายยาวเหยียดของมันที่ไปยึดไปถือได้แก่ความสําขัญเป็นตัวเหตุให้ยึดให้ถือว่าทุกนี้เป็นเรามันก็หดตัวเข้ามาสุดท้ายหดเข้ามาสู่ใจถึงใจเลยอ๋ออาการอันนี้เองพาให้เกิดทุกทุกอันนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากเพราะ ความสำคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างกายนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกข์นานผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสําคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนะั่นกายก็เป็นความจริงขึ้นขึ้นมาประจับใจเต็มส่วนจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจับตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม่างกายจะ ทุกขเวทนาจ ะ, จะแสดงอย่างแรงข่าหรือสาหัสประกนนารใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบาทถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็บเพราะเอาไปประสานกันฝื้นหลักธรรมชาติหลักความถูกต้องฝื้นหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ เพย์เขสร้างทุกข์ขึ้นมาทับถมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบหอกเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมากนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจรณาทุกข์แล้วจะพิจารณาสมุทยัย แล้วจะนำมรคมาใช้พิจารณามรคแล้วถึงจะทำความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริงสี่สี่อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี้ต่างหากไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบตัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อปฏิบตัติต่อสัจธรรม อันนั้นแล้วต่อสาจ่างนั้นเรี่ยงลายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอากาศการกําหนดรู้ทุกก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกคืกว่าอะไรมันเป็นทุก์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทําหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคําว่า น, นิโรธความดับทุก์ทางใจก็ย่อมดับโดยลําดับลําดา ของกำลังสติปัญญาที่เป็นมากเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเวทให้พังทลายลงไปจับจิตเดะจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่เพิบมเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียกวกิริยาเช่นนั้นเรียกว่านิโรธ เป็นกิริยาของอมรรคที่มีกำลังปราบกิเลสห้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นนาการของศสัจธรรมแต่ละอย่างไมอย่างเท่านั้นเมื่อได้ทำงานเต็มที่เรียนสัจธรรมจบรอบหมดแล้วศสัจธรรมทั้งสี่นี้ ก็หมดปัญหาต่อกันทุกในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ่งเชื่อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหตุให้ทุกทางใจเกิดขึ้นสิ้งเชื่อไปแล้วทุกทางใจหมดไปเพราะมรรคมีกําลังสังหารสมุทยัยเมื่อทุกข์ดับไปกิริยาแห่งการดับ และสมูไทยนั่นแดะท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิน้นเชิงมักก็ไม่ทําหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อประเทใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกดับไปแล้วและสมุดอ่ะสติปัญญาได้มีกําลังพอได้ดับทุกโดยสิน้นเชิงแล้วนั่นคือผู้ผู้บริสุธิ์นั่นแหะจริม อันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้ง 4. สี่สัจธรรมทั้งสีนี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกสงุไทยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ร้อยสุตรงนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกทางใจเพราะส ม, มุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระหันท่านจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอกุเบ ข, ขาเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้ว เอาอะไรไปเป็นเวทนาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเวทนาขึ้นมายิเลศเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจยิเลศดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ ใ, ให้ใจรับความทุกข์หรือสุขมากก็เป็นกิริยายดับยิเลศลงไปแล้วก็ สิ้นหน้าที่ของตนชุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าปรมงสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเรทนานี้เป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมุติีทั้งมวลแล้วทำที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ไหนเวลาท่านจะทำทั้งสี่กลางวานอยู่ในการในจิตของเราทุกๆ ท, ท่าน สติปัฏฐานสีก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทําหน้าที่สัจธรรมทั้งสี่อย่าไปเข้าใจจะไปแยกไปแยกไปเรียงลําดับลําดาในการปฏิบัติจะผิดจากหลักความจริงทั้งหมดแล้วจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาวงปฏิมาต์เป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทนาแล้วจะพิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรม พอจอลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงกันเวทนาจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทำไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสีนี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นรับที่ไหนมันก็ทราบกันไปโดยลําดับภายในวงแห่ง ทติประฐานสีนั่นแหละมันทํางานเกี่ยวโยงกันหนักตรงไหนคือสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนมากให้กําหนดนั้นเป็นจุดการพิจรารณาเช่นพิจารณากายเอาเวลาพิจารณากายทุกมันเกิดขึ้นมาอย่างไงพิจารณาทุกมันนักบอกของตัวของมันเองให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละเนมื่อเวลาพิจารณาทุกมันก็วิ่งเข้าหากายพิจารากายก็วิ่งเข้าหาทกุก สุดท้าก็วิ่งเขาหาใจนี่ภาษาสัวนั้นนี่การพิจารณาหลักความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติยาทำล ะ, ละเลยเลยให้มีความจริงใจหลักพิชาทั้งมวล น, นี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สำหรับตัวเองหลักพิชาฆ่ากิเลสเราจะเอาสติปัญญาแบบโลกโลกมาใช้ไม่ได้ ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาคุดค้นขึ้นมาผิดขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้นี่โดยลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้วนๆได้แก่ ส, สัจมาหสีมาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกขแขนงใดเลย เป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกําลังขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลําดับลําดาบนี่อการแก้กิเลสเราจะเอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใชา้มันใช้ไม่ได้ต้องเอาวิชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสมัตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ไม่เห็นสนใจจะตั้ง แต่ถ้าเป็นสติของธรรมแล้วต้องตั้งต้องส่งเสริมปัญญาของทางโลกอันเป็นเครื่องมือของยิเงใหญ่แล้วเขาก็ใช้กันอยู่อย่างที่เห็นเห็ น, นั้นแหะมันลำบากลำบนที่ตรงไหนแต่ปัญญาที่ทางด้านธรรมานี้ต้องได้ใช้ความคิดฝึกให้คิดหัดให้คิดบังคับให้คิดตั้งสติบงับงคับจิตใจให้ดีด้วยสติหนัก มีการบังคับบัญชากันจดจ่อต่อเนื่องกันยังเอาจริงเอาจังนี่หลักของการตั้งสติหลักของการบำรุงสติก็คือรักษาสติให้ดีหลักการผิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องบังคับให้คิดให้อ่านในแง่นั้นแง่นี้นี่แหละเรียกว่าวิชาออหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทางด้านธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านว่า สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั้นหนุนอย่างนี้เองเพราะสมาธิมีกําลังปรากฏขึ้นภายนตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหวยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ทึ่เคยที่เคยเป็นมายิมตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบา้างค่าให้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิสบองบร่งเย็นนี้จะไม่สนใจทํางานซึ่งจะได้ความละเอียด แหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใช่การถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พิณิพิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องอย่างทุกครั้งอย่างนี้หรืออสุภ้อสุขังมันก็ป ร, ปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนจะมีาตั้งแต่ข้าต่หมายใช้ปัญญาพิณิพิจารณาหลายครั้งหลายหล คำว่าอสุภะอสุภามก็ค่อยเด่นขึ้นภารกิจใจเด่นขึ้นทางบัญญาตินาเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็สติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลําดับลําดับอสุภะที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภะที่จํามานั้นผิดกันคนละโลกนานทีนี่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของทำผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเอง แม้แต่เราเรียนในปริญญาต์เราจะเอานั้นมากาเหมือนแผนที่ก็ไม่ได้ไม่เป็นอสุภะให้เป็นแต่สัญญาความจำํำเฉยๆไม่เป็นความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของอสุภะที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยนะจึงต้องได้ใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไป บ, าบังคับที่แรกต้องใช้การบังคับเพราะปัญญายังมาเห็นผลต้องตัวเองต่อเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาโดยลําดับตำดาแล้วจะมีแก่ใจนักนขะยับไปเรื่อย ทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบายเบาไปโดยลาดับลำดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลาดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินก้าวเดินด้วยเที่ยวต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันนี่กลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่ที่นี่เป็นวิชาธรรมแท้ เป็นวิชาทำล้นรวนเองเราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้กิเลสมันหากเป็นหักผุดขึ้นมาแล้วผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอยนี่จึงว่าเป็นสิ่งที่อคติไต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณว่าสติปัญญานี้มีความกว้างแคบละเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะ พิจารณาด้วยตนเองและละเอียดแหลมคมลึกกว้างแคบขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสรรทิฏิโกทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของบัรดาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยนเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชารำแท้เราจะนําสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตหรับตำนาที่เรียนมามาเป็นหลักเตรนว ส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มด่ำในความภาคเพียงเห็นโทษก็เห็นโดยลาดับลานาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมและเห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลาดับลาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทาไม พลังของใจจะไม่มีอํานาจมากมันต้องมีอานาจมากพุ่งพุ่งนไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจที้คลานความอ่อนแอความท้อแท้เ ห, หลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวลเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความจิตวิญญาณ น, น้อยวาสนาน้อยปัญญายากเป็นคนอาภาพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมมาให้เราดําเนินทางด้านธรรมะ ให้ออกจากเนื่อมือของมันหรือจากอำนาจทั้งมันแต่พอสัญลัดมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรเช่นี้แล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีเออคำว่าขีเกียดขีดข้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความกดขีบข่บังคับของกิเลสที่โดยไถ่เยวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าอา้าว หากกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้คําว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คําว่าแพ้นี่เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นนะมีมาทลายเป็นอนันมาทุ่มจากการทุ่มจากการมีจะให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคําว่าแพ้นี่มีไม่ได้คําว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะตายเดียวให้หลุด เห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดัดแล้วแต่ยังไม่ไเต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดที่นี้ความขี้เกียจที่ขานมันจะมาแอบมาช่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขนาดไหนมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยวสิว่าสิ่งของนี้มันเป็นเรื่องกดทวมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาจนกระทั่งกิเลสพังหมดก็ด้วย สติปัญญาของธรรมที่เราคลิกขึ้นมาเอเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆเป็นความเพียรของธรรมล้วนๆถึงจิเด็กพังไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นีไอ้เรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามซึ่งเป็นต้ น, เ ป, นเป็นเหตุเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดา ถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวรบนั้นลบอะไรนี่หากเป็นในตัวเองหากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันติโกสันติโกพาอเหมาะพอควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลาดานั่นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรมทั้งสจะพิจารณานอกข้อตาม มันติดตรงไหนนํามาแยกมาแยกเอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่ทแท้ๆมีแต่กิเลสมันมาพรางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เหลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้อีกเหร อ, อเห็นยัางว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามมันสวยตรงไหนเอาดูสิั้งแต่ตาเนื้อนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วมไม่ใช่คนตาบอดทําไมจะไม่เห็นถึงตาบอดจอมูกเปนก็บอก เขาจะหมูดไม่บอดมันเห็นกันอยู่รู้ ก, กันอยู่ยังลงไปให้เห็นความจริงเลยแต่ถึงขั้นอรุภรักมันเห็นชัดเจนอย่างที่ว่าปัญญาจะเห็นแท้ๆเมื่อลมมาช้ายอยู่เสมอจันนี้จากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงทแท้ๆไม่ได้ปลอมเหมือนกิเลสกิเลสมันปลอมน้อยเปอร์เซ็นปัญญาจริงน้อยเปอร์เ็นต์ธรรมจริงน้อยเปอร์เ็ ในร้า น, นี้เราจะนํำทำมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นซากระจากใจใจจะไม่ได้รับความทุกข์จะเป็นนักโทษอืถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากพบนี้ไปสู่พบนั้นซึ่งล้วนแน่ตั้งแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อํานาจของกิเลสทั้งหมดมันดีที่ไหนในพ้นอํานาจของกิเลสเสียเท่านั้นเราจะเห็นเป็นอย่างไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละ ที่เคยรูกเคเห็นมาแต่ก่อนกราบความขนาดที่กิเลสมันหลุด้อยไปหมดแล้วเป็นยังไงเห็นขันนี่เห็นเป็นยังไงบ้างทินเห็นจิตนี่เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นเป็นสองโลกเป็นคนละโลกก็เลยอืมถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือสมมุติกับวิมุตเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้ละตัวมันให้คาดให้หมายตัวมันทําลายมรรคผลนิพพานความดีของเรา ว่ามันพังไปหมดแล้วไม่ต้องถามจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีก็เต็นยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี้เ ก, ก, กิเลเตเท่านั้นมันขัดแย่งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทํางานหรือให้อยู่ตามปกติจุกไม่ได้มีกิเรตเท่านั้นแ่ละในสาแดนโลกธรรมนี่เราอยากเข้าใจว่าดินผ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเรานี้กเกเลตเท่านั้นออ ความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเขามันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับปิดใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นพระนั้นจึงปราบลงให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือสิ้นซางอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหนไม่ต้องถามไม่ต้องเสกสรรมันเป็นอยู่ภายในปิดใจขาดนู้นขานี้หมดมแม้ที่สุดพบชาติจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหมด ตายแล้วไปเกิดที่ไหนหมดชีวิตร่างกายนี้จะจะตายเมื่ อ, อไรหมดไม่ให้ไปสนใจเอาลู้กันอยู่แล้วว่าดินก็เป็นดินน้ําเป็น น, น้ำโลภเป็นโลภไปอะไรไปตายไม่ตายก็เห็นเป็นอย่างนี้นั่นม่งก็รู้อยู่ใจเป็นใจไม่มีอะไรเข้ามาบีบบังคับเพราะให้ใจมันดิ้นคาดนู่นคาดนีน้นา ก, การที่ใจมันกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็เพราะมีสิ่งบีบบังคับมานั่นแหละเมื่อมันมีอะไรสิ่งบีบบังคับเป็นอิสระในหลักธรรมชาติเต็มตัวแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยว นั่นนะท่านมาแสนสบายบรมมาสู่ตกตรงนั้นเองการห่วงหมูอเพื่อนก็เป็นห่วงหลังที่ว่างไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนนแต่ก็จําต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงแดวงมีคุณค่าแสวงหาที่ที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้ต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นไม่เท้า หรือเป็นล่มโผล่มทายเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบเสงหาครูอาจารย์มาแล้วทำไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไวมากแต่การรับไวมากโทษของมันก็มีอีกไม่แค่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทำให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละหลายหลา ย, ลายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้าง ข้างหน้าข้างหลังทั้งท่าน ท, ทั้งเราที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากน้อยเป็นอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อกันให้เป็นความราบรื่นสงบร่มเย็นปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ย้อนเข้ามาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวนั้นแหละมันกระทบกันาพาการนมัสระรวังให้รู้ทั้งนอกเขารู้ทั้งในรู้ทั้งท่านรู้ทั้งเราหัวใจท่านเป็นไงหัวใจเราเป็นไงถ้ามุ่งอัดมุ่งทําต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันมากน้อยสบายทั้งนั้นแหละจะสงบสุขเสมอ คนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าด่วนไปตำหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้ ร, บรบอบครอบซะก่อนถ้ามูราผู้นั้นผิดก็ ใ, หใหเห็นว่าผิดแต่ก็ให้ให้อภยัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภยัยแล้วมีเหตุผลคนกาลางเราก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตัง้งใจมาปฏิบัติด้วยกันแล้วยอมรับกันทันทีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสดงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาอะไรเอาที่ทีมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นพืินเป็นฝ่ายเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นน่ะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนกปฏิบัติ ดูรเรื่องการมากน้อยตลอถึงการพื้นปฏิบัติอดอาหารด้วยวิธีการต่างๆก็ให้คุณพิจารณาตัวเองอดมากอดน้อยเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างอย่าทําไปสุม 4, สี่ซุมห้าแบบด้นดาวกหมัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเฮ้ยเหล่านี้เป็นอุบายวิธีช่วยความเพียรทั้งเราไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสเพราะกันอดอาหารอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องหนุนการจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในต่างหานะ ให้พิจนนารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยก็ให้คำานึงถึงผลเป็นยังไงบ้างมีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่างๆที่เรานำมาทำมาบำเพ็ญที่เรียกว่าความเพียงเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนหย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีอะไรทั้ง้วยกานเทนั้นน่ะ สติปัญญาไม่รอบตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องรอบต้องใช้ทั้งวิธีการวิธีปฏิบัติทั้งค่ากิเลสด้วยสติปัญญานี้ไม่เว้นอะไรก็ตามต้อง น, นํามาใช้เสมอเสอขอให้ทุกทุกท่านได้นำมาพิจารณาการปฏิบัติต่อตัวเองวิธีการใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ก็ให้ให้ทําในวิธีการนั้นได้หรือจะเสริมไปโดยวิธีใดเป็นอุบายของตัวของเองคนอื่นจะไปบอกไปบังคับไม่ได้มันผิด ตามเปยัทำกันว่าอสควรนู้สุดเหนื่อยแล้วเพราะฉนั้นจึงต้องไปหาในที่กรอบคัวทั้งทั้งที่ผมปนะเป็นคนขี้ขาดนะตั้งเป็นคาวว่าผมก็ขี้ขาดเป็นภาคก็ขี้ขาดแต่มันเรื่องทำจริง ม, มันมีหน้านเหนือกว่าความขี้ขาดจึงต้องหาดับตำดานจ้ของในที่เชนนั้นจะนั้นกาอยู่ตามป่าตามเขา คือจิตมันตั้งท่าความตั้งท่าก็คือสติไปที่ที่บางแห่งเหมือนก็หมดคุณค่าราคามดอในตัวของเราเหมือนผ้าชีรีเหมือนก็คูดภาษาทางภาษาอสานก็จะว่าโสตายคือสละตายไปเลยนี่กับพาวนาดเนี่มแปลกนะเวลาสนะจะสู้สิ่งที่ย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติเราไม่ได้ รบกับมันหละความกลัวนี่นะมันชนะทุ่อย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไปเวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก่อันนั้นมันมันหายด้วยการทรมานการฝุกกันอันนี้เพียงเอาความชนะตายเข้าไปเพรานั้นมันก็เลยหายกลัวนี่ิจก็สบายภาวนาดีนี่เป็นสอนให้ไปอยู่ในป่าของเขาในที่ไนไหนที่เดือดเดืคนนัามันไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเองเลพี่นันกิจมันย้อนเข้ามา ก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี้เป็นหลักไปยังนู่นออกเที่ยวก็อยู่แถวใกล้เคียงประมาณแค่สิบห้าสิบหกกิโลนี่ก็มากลับได้เราอยู่ไกลพันนานๆ ต, ต้องเป็นเดือนีเดือน ก, กว่าถึงจะมาทีนึงมันไกลเช่นมาทั้งอำเภอวัดดิษฐภูมิกับน้องผือมันไกลเดินทางต้องข้างคืนกว่าจะไปถึง ไม่มีรถมีรลานไม่ต้องถามมันไม่คิดถึงมันเลยแต่ก่อนถ้ามาแบบนี้แล้วต้องนานนถึงจะได้กลับไปกินเป็นเดือนสองเดือนมาอยู่ถเถอใกล้เคียงพิกสี่พิกห้ากิโลยังมาวันไหนเวลาไหนก็มาเพราะข้อกังวใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้แหละมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรแล้วก็บึ่งเลยคนเดียว แต่ถึงมันก็ะมาณตัก11โมงเช้าพอตอนบ่ายโมง2โมงท่านก็ออกจากที่แล้วขึ้นหาม่านมีธุระอะไรก็ทำซะก่อนจากจะกลับไปที่พักเราเมืม่อไหร่ไม่ชับางทีกลกลางมืดจะมืดค่อยไป <c oughs> ก็ภาวนาไปนี่แต่คนเดียวเสือกเยอะนะแล้วไม่สนใจ ยิ่งกว่าการภาวนาไมสนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่น้องคือแถวนั้นน่ะมีแต่ด ง, งนั้นดงเสืองั้นแต่ท่นที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่ อ, อไหรก่ก็าปกลางคืนไม่ได้จุดไปนั้นไปวัดเจ้าของไปที่พระเจ้าของบุกไปนั้นเขาทางมันแคบแคบดูคอไปได้อย่างง้ไปภาวนาอม่ไหเโอ้นนโอทุกย่าลำบากมาก การฆ่าที่เหลืค่ายากจริงๆเนี่ไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าที่เหลืยังได้กล้าพูดเลยทีไม่มีอะไรแหละมะคมยิ่ง่าี่เือความฉลาดแหละมะคมนี่แห ม, ม่แหม่อย่างนั้นแหะแตพลิกสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธํานี่ไม่ทั น, ม, นมันก็มันก็เหยียบของเราเหยียบมันฉะนันต้องสอนเหมอพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจนี่เราไม่ได้พูดแบบรู้คำคแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวด น, นะ ถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนําสิ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งเหตุตั้งผลมาพูดให้ฟัง mm hmm. สุดท้ายที่มันมาเด่นยัด ก, กับขื่อไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าค่ากิเลสงานใดก็ตามไม่มีงานอะไรหนักยิ่งกว่างานค่าทีกิเลยมันลงนั่นหมดอุบายวิธีอะไรก็าตามสติปัญญามีอะไรได้ทุ่มมาหมดงานอื่นเราไม่เห็นได้ใช้สติปัญญาหนังหนาอันนี้ใหม่แต่มันใช้อยู่ภายในนีมันไม่ได้มาสมองสมแข ง, งเขาว่าน่ ใช่สมองใช่สมองถ้าเป็นความจํำนะใช้สมองผมก็เคยจำผมเคยเรียนเวลาเรียนมากๆนี่ความจำนี้มันกลัมาใช้ที่สมองสมองถื่อหมดเลยมันไม่จําอะไรให้หยุดซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอามันที่นความจํามันไม่จําห้มันถืออ่อบนสมองแต่เจอมามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะมันไม่ได้ขึ้นสมองนีนาะ อ, อือมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้ สบายสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดละออนพระถนัดไหนจิตมีความป่องใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาสติปัญญามันก้าวออกขึ้นมันสงบอยู่เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่เวลามันออกทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในภาหมุนติ้วติ่วตอยู่ภายันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทํา ความจิงกับความจำความจริงความจําจต้องเอามาใช้บนสมองประทํางานบนสมองความจริงภาพปฏิบัตินี่มั น, มนดูผ่านอาจารย์หงิ้วหิ้วกิ้วเนี่ยอย่างนี้พระเราจะไม่ได้หลักได้เลียนสักองค์ควรเป็นลหลักฐานคือในศาสนาต่อไปในประชาชนพระเนรทั้งหลายได้ยึดอีทํำไรผมยึ่กฏวิชารยู่มากเลย พอเห็นโทษนะเรื่องของกิเลสมันเผาคนมันก็อดคิดไม่ได้เนี่ยที่พระพุทธเจ้ า, ามหาการมีครูอาถูเพราท่านเห็นโทษของกิเลสเจ้พอแล้วเต็มประไถ่ตัดโลกทั้งหลายไม่เห็นทัานเมตตาสงสารทุ่มลงอุบายคำสอนลาบากในบนแล้วก็ตามทนพระองค์ทนเพรพระเมตตางมีกำลังมาก เคนเกว่าจะมาเป็นกันวนงวลกับเรื่องทุกข์ลำบากอะไรนะพิพมาขนาดนั้นลนะ่ะท่านผู้เห็งแล้วท่านเห็นไหมคกับเวลามันกล่อมมันไม่เห็นไม่รู้ยิ่งเรียกว่ามันละเอียดมากแหลมคมมากนะบอกมันด อ, อกเพลงไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราว่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกลอบโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุให้เห็นที่โลกธาตุสามแดนโลกธาตุจะมีเกิด แต่จับใจอยู่ไม่ว่าพบเหนหือไหนไม่จะด้ํามากของมันยังไงไม่เหนือนไปเลยมีพระห ร, ระหรัสนั้นพูดจาว่านโค่นหน้าของมันไปว่าท่านเห็นโค่นมันจนพระไฉ่ก็กับความเห็นคุณของขำจนพระไฉเื่อมเดียวกันข้ามานั่งกำลังเมียกาสอนเขาเมีกาอ่ะมีแสังมากเรื่องความลำบากะบวนถไม่ถึ ข, ข้ขขอคัด ข, ข, ข, ข, ขวางเงื่อนคัดขวางทางยามเงื่อผลประโยชนใจญ่โคือเราทาเรื่องไม่พม้นเรื่องกามา่ราคาไปมันก็ยังไม่เห็นโทษของกิเลสมากนะเพราะมันถ่านไปแล้วเนี่ยเห็นภายของกิเลสอยู่มากน้อยมันเห็นตรง น, นั้นเห็นคุณค่าของธรรมก็ตรง น, นั้นนหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโมัติเพราะความเห็นโทษเห็นคุณนันมัน มันพาให้หมูเป็นพลังสําคัญมากเลย ต, ตัวนี้เราก่อบม า, มากที่สุดขาาั้วพี่อ่วความราคาก่องมากเกีย่ยงพอมันผ่านไปแล้วก็มือเป็นเครื่องกรอบแบบผ่าๆเป้ผผผผนผลเหมือนอันนี้มือก็มีเป็นแบบน้ำครับน้ำซึมถ้าอยู่บัญญนยาวก็พอผ่านนี่ไปแล้วมันก็เป็นน้ำครับน้าซึน สติปัญญาที่ใช่ในวงอสุภพคือจะพังทลายกรรมาจาการต้องเป็นสติปัญญาประเภทน้ําโตนลงมาจากภูเขาคติปัญญาต้องแรงมากทันจะเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเพราะอันนี้มันรุนแรงคติปัญญาที่จะต่อสู้กันมันก็เป็นต้องเป็นของรุนแรงโดยหลกักธรรมชาติของมันเองนะแต่ว่าเราตั้งใจไว้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันนะพอเหมาะพสมกันกับว่ามาถึงมา เรือประเภทนี้รุนแรงมากคือบรร ญ, ญาคือนามาชากลับเรประเภทนี้จึงต้องรุนแรตามๆกันคือเหมือนกับ น, น้าที่ไหลลงมาจากภูเขาลงมาหรือไหลลงมาจากหน้าผ า, านั้นแะก็คือวรญาคันพอผ่านอันนี้ไปแล้วรูป ก, กายนี้ไปก็เป็นนามธรรมนีนก็เป็นัน เป็นอัตโนมัติแบบน้ำครับน้ำซึมไปมันไหลลื่นห่อนอยู่และอีก อ, อย่างไหลลื่นตอนอธุรรพ์ตอนเดี๋ยว ก, กรูปกายมันรุนแรงก็คือปัญญารุนแรงพอผ่านนั้นไปแล้วมันก็เบาไปอย่างน้ำครับน้ำซึมไลหลลืน่น ไม่ขาดวักขาดตอนไรลินถึงนั่นนี่เรียกชื่อว่าเพลินกับงานนะตั้งแต่ท่านอธิภาไปจงถึงนั่นแนละ้วสิ่ง น, นี้มันจะไม่กเกี่ยวข้องกับใครเลยเพราะมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันยัง่งค่ำลืมวันดวงคืนดูไม่ร่ำเวลาเพราะมันอยู่กับงานงา น, นนี้เป็นงานอัตโนมัติ มันหมุนหมุนอยู่เกี่ยว่ที่นี่คือมุนที่หมุนแกะหมุนผ่อนหมุนผอนมันไม่ไม่หมุนหมุนมัดเข้ามาหนึงต่ก่อนต่ก่อนเป็นอตนมัติแล้นางื็เป็นอัตโนมัติเพิ่ก็ผูกเข้ามามัดเ้มาได้ยินเสียงขึ้นด้วยเคราสะพัดมานกระทบกาของสมอนเรื่องการมีแต่ผูกเข้ามามัดเข้ามามัดเข้ามาเลยอัตโนมัติข้ามันน่พอถึงขั้นอตโนมของจิปัญญามันก็มีแต่คลี่คลายออกคลี่คลายออกแก้ออกแก้ออกเฮ้ยเฮ้เป็นอัตโนมัติเล้คว่าเขเป็นธรรมจั เกลวแต่ ก, ก่อนยึ้มเนวัตตะจับพอถึงขั้นนั้นเป็นทํามจับแล้วทิ่มันก่อนธรรมจับรีรร่ว่าจะจับจับหมุนเพื่อถอนตัวกลายเป็นมันเหมือนกันแมนั่นก็ไม่ทันการไม่ตามขั้นตอนของวิเศษี่ววิเศษมันอ่างนั้นออกสู้กันอย่างรุนแรงพอถึงขั้นนี้เป็นน้ำซ้ น, น้ึพอสุดข้าเข้ไปก็ มัน่อยเข้าไปเรื่อยๆมันก็ทาให้เพนั่นอนจยู่กับหมู่เพื่อนมาได้ผมนระยน่ั้แต่นระะัเพื่อนผมมาไความเเ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้ขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยกัหมู่เพื่อนไม่ให้ใไปเรื่อย น้ำเสียน้เวลามันเหมือนกับน้ำไหลบ่านคือตามหลักธรรมชาติของสัญชาวิตยางเหล่ไปด้วยกันก็ผิดชการดดึกดกอยู่นั่นแหละไปสเป็นสไปสามเป็นสามไปตังเดียวก็ต้อมีอะไรถ้าน้ามันไหลลงท่อเดียวพุ่งเป็นกับตายมันก็อยู่กัเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาสมายเลยกินนม้กินก็ทำมันถ้าไปกับหมูว่าถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูว่าเป็นยังไงอ่าต้องเดือด มันก็สีวดพอเปคนเดียวแล้วมันปล่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินไนกลมไปทั้งวันเนี่ยจึงเพลียนตลอดยื้งมาถึงขั้นมันทำมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เ่อนตัวลงไปเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งยิ่งมีอำนาจจนกระงมันหมอกนี่เมหมอกว่ามันกลัวแล้วนะชัดล่ะมันคุยเขียุดพนกัน่ัน ไปเจอจนได้ค่าไปเป็นรักเป็นตางเป็นรักเป็นตาย่อนที่แรกนะตัดสิ่นนั้นตัดสิ่นนี้ถ้าเป็นจริงปรเดีถ้าไม่เยวะก็ฆ่าัวนั้นค่าไปเรื่อเพระเพศต่างๆมันเยอะแยมนมากแต่มากไน่ท้นมัไปเป็นทิ่งเป็นอันไปเรื่อยเร่ยอันถึงขั้นวรรณะุกท่านอันนั้นเราหมอถึั้นเเองเอเองนะครัจะพูดถึงเต็มปากเลยว่าเืนงขั้นอวิยธาร ใครไปถอนมันตั้งใจถอนมันมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยพอถึงที่มันจะเป็นของมันแล้วมันทวดเดียวเลยอันนี้ทวดเดียวเท่านั้นนองนั้นตัดมาเป็นแบบแต้มดาพอถึงรากแก้วแล้วมันพวดเดียวนะและหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับผิดไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่กับผิดไม่มีทางออกกระด้างที่เคยเทือกนั้นถูกตัดเข้ามาสะพานนองทางเดินของมัน ตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งหินจริงปล่อยวางมาเดินดับดันดาที่มันก็หดตัวเข้าไปของตัวไปตัวไปเสาะแสวงหาอาหารนั่นไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วกระดูกผัดตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันพิจารณาเข้ามามันตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี้เข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปออืเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้ว่าอันนี้เป็นนั่นข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี้เข้าไปตัเข้าไปตัดเข้าไปเนีสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปสณมอยู่ในจุดเดียมา ตอนี้ก็เป็นตะเพียนจียาการทีนุกลิกลิข์มันก็เห็นชัดนั่นนี่แหะวิวัฒภากปฏิบัติทันิติโกมันเห็นอย่างนั่นอย่างไรมันรู้อยู่อย่างนั้นพยายามมาค้านสามแดนโลกท่านมันก็ไม่สนใจฟังเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเราะพูด อ, อยู่ปากคนนู้นความจริงอยู่กับเรานี่เห็นกันอยู่นี้รู้อยู่นี้นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าจศาวลาเพียงองค์เดียวยิ่งสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกความจริงกับพระองค์ เราเลี้ยงขี้หมูขี้มาตัวหมูตัวหนึ่งเท่านั้นเท่ากับหมดตัวหนึ่งนั้นมันก็ยังพอมาพูดได้ว่าความจริงมันเต็มในหัวใจนี่โถสงสัยที่ไหนไปงมเ ง, งานี่ที่ไหนกันมาอาการทั้งห้าเวทนาทัญงานทั้งขันงานที่มีอยู่ตามความละเอียดของมันซึ่นเวทนานภารกิจมันก็มีอย่างนั้นมันมีสุขสุขละเอียดมันก็มีทุกละเอียดเนี่ยมันเป็นคู่กันมาหนั่นเนี่ยเวทนาทางจิตถ้ามันยังปล่อยตัวไม่ได้ นาคฐานน้ำมันยังมีอวิชชาเวลามันยึดถึงมันมันไม่มีที่ยึดมันก็ไปยึดใจเฮ้อเฮ้ยแรงมันยึดไปหมดพอถูกตัดออกด้วยปัญญาแล้วเข้าไปก็ไปไม่มีทางยึดออกมายึดทางกายตัดทางกายเข้าไปมันก็ไปยึดพวกนามธรรมในธนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณากระบชัดเข้าไปชัดเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ใจมันไม่มีทางปัมันก็ไปติดจนได้ นี่เวลามันยังไม่รอบนะแต่ว่าติมันสติปัญญาขั้นนี้มันมันมันไม่ติดแบบจมนีนะเถึงจะติดมันก็จ่อมันอยู่พิจารณาของมันอยู่นั่นหักติดนอหักพิจารณาเนี่มันอยู่เฉยไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้มันเป็นอัตโนมัติอย่างบอกแล้วคือจะแสดงว่าเรื่องมันยังมีอยู่มันต้องก็หมุนของมันอย่างนั้นเราจะเห็นในชาติเวลามันหมดเรื่องแล้วมันก็หมดหมุนเลยนี่นี่ที่เป็นสักคีพยานกันคือมันเป็นเหมือนรถไฟได้เชื่อวที่นี่เชื่อมันอยู่ในหัวใจ ในใจมันก็หมุนทั้งมันอย่างนั้นอะไรนั่นทับอะไรแยกออกมามันก็รู้เสียว่านี่เป็นอาการเนี่ยแยกออกมาเนี่มันก็เป็นอาการเขารู้เสียตัวจริงมันเป็นไงเนี่ยหมุนกันอยู่นั่นพอมันมากไปพ้นนี่มันก็พรวดฟ้าดินถล่มเป็นไรหะเวลาถล่มก็มันเคยฝังอยู่ในหัวใจมันนานแสนนานเท่าไหร่เวลามันถอนตัวไปมันจะไม่เหมือนฟ้าดินตล่ม อืถ้าจะพูดแบบรู้โลกมันกิดเหมือนก็ว่าจะทวนโลกกระถางไนแล้ความตื่นความตกใจหรือความอัศจรรย์มันมาพร้อมๆกันความเห็นไทยเวลาไทยมันลบมันมาไปแล้วถึงมาเห็นมันเลยโอ้โหโอ่รแล้วความอัศจรรย์มันก็ขึ้นในขนาดเดียวกันมันทั้งสองอย่างกระเถิอืลยวิชาจมลงไปฟ้าดินถล่มวิชาวิมุก ขึ้นมามันเป็นไมนขนาดเดียวกันมันก็ไม่แสดงความแปลกประหลาดแต่ในขนาดนั้นแต่แสดงขนาดไหนไม่มีขนาดไหนที่จะกระเทือนถึงสามแดนโลกธาตุท่าจะพูดถึงสามดโลกธาตุยิ่งกว่าขนาดนั้นอยลาเป็นน้ำมันขนาดมันซึมลงไปได้อมันจะความประจักย์เหนือโลกมันเหนือโลกประจําษันเหนอโลกเชื่ออืพราะมันจะทําให้เกิดความท้อใจ มันก็นย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าที่เราจงปรารถนาว่าจะเป็นจากรดาษสองโลกพอถึงภูมินั้นแล้วเลยเกิดท่อประทายทากองมืกฝอยน้อยเพราะว่านี่ว่าเป็นสุดวิสัยโลกที่จะดูได้เห็นได้จริง ท, ที่แรกเพราะว่าไม่กระจายไปถึงปฏิบัติฐานมาเห็นเฉพาะในวงปจัจจบันรก็ว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยโลกที่จะดูได้เห็นได้สอนไปยังง่ายโลกกับอันนี้มันไม่ใช่จะเป็นวิสัยจะเข้ากันได้คุณงง่ายว่างกันในขณะนั้นจะไปสอนอะไรกัน ถ้าพูดภาษาเราก็ไปสอนที่ไหนเขาก็จะว่าเราบ้าท่านๆตีเขาเป็นบ้านี่ไม่สอนอยู่นี่มันสบายดีนี่พอถึงวันตายท่านก็พอแล้วเนี่ยมีสอนใครก็จะว่าบ้าหมดแหนะขณะที่มันเป็นอยู่ในวงปัจจุบันมันยังไม่กระจายปฏิบัติาสน์นั้นมามันก็แยกก่อนแลี่หถ้าเราเป็นของอาจารย์เหนือโลกเหนืออสารแล้วว่ามนุษย์มนาที่จะรู้ได้ไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นอะไรแต่ามาทํำไมรู้ได้เห็นได้ รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรเนี่ยทีนี้มันก็วิ่งไปถึงปฏิปทาดูเพราเห็นนั้นนั้นนเนี่ยก็เมื่อพู้ใดเขาฟังแนะนํำสอนสอนเขาด้วยตามเหตุตามอุบายตามทางเดินมาเนมันก็รู้ได้อย่างได้สิแต่ถ้ายังรู้ได้แล้เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเขาทําไมจเขาจะไม่รู้ได้เพราะเห็ุนั้นนั้นเหมือนกันกับเราวะเนี่ยนี่ก็มีเกี่ยวติพระไทยนี่กระจาอ๋อเนี่ยนี่ก็เบิกกว้างอะไรที่นี่เพราะเอาปฏิปทาเคลื่อนํานิด ทางจะาไกลาบ้านอยู่ไหนจะไกลแสนไกลทางมีมันก็ไปถึงกันได้เนี่ยบ้านขี่ชั้นขี่หักทางวิมีขึ้นได้ขึ้นบันไดขึ้นดิบอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นได้เนี่ยอันนี้มีทางนี่ปฏิปทาขึ้นดำเนินมีนี่นะถ้ามั น, นมจะรู้ไม่ได้ขอแต่สอนให้มันถูกต้องคื อ, อสอนให้มันตามเลือกความจริงนี้เถอะสอนพูดมุ่งความจรงิงมีอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่จะเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปหมดมนุษย์ พูดมุ่งความจริงมีอยู่ความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้สนิทเลยเข้ากันได้ง่ายเลยหน่ะนี่ก็ปรงภาษาไทยลองสอนเดเวมีพิกเวใส่เป็นเจ้าทีสักห้าก็พุ่งเลยน่ะเห็นไหมเี่พูดนั้นท่า น, นนี้เป็นพูดพร้อมแล้วเพื่อความจริงทั้งนี้ก็เป็นความจริงล้วนแล้วความจริงกับความจริงเข้าสู่กันทีเดียวก็พังเลยนั่นเดเวเมียพิกเวอันตบาบาปเกเรเซ่กับบาอันนั้น นั้นผิดอย่าไปนะมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ทางนี้ไอืมกาเมืรนิยมเพียรอัตคีรธรรนิยมเพียรทางเพียรทางแยกนีย่ายา ย, ายายาแยกไปนะมัชฌิมาปฏิปทาสทาเกษตรนั่งสมบูชากคุคลี ญ, ญาญกันนิวปัจจะิสาสัม บ, ามบาราสัมบูถาวรนิมาสร้างวัตินี้อืมยที่ดังอะไรสมาธิสมาสังกโปกขึ้น น, นี่นี่ทางเดินตรงนี้อา้านานี้บอก ให้เยียบลงไปตรงไหนก็เยียบลงไปในสัจธรรมทั้งสีนี่เยียบตรงนี้น ะ, วะ้วบอกหนะเห็นไหมธรรมะที่สมาธิคำโป์จะให้ก้าวลงที่ไหนเอาก้าวลงที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆลงในสัจธรรมทุกทุกขันนิโรธมากลงใน ส, สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเอาาหนี้ละทางนี้แล้วเยียบลงตรงนี้ละน ะ, นะเอาสติปัญญาเยียบลงตรงนี้คือหย่างลงตรงนี้พูดง่ายๆหนานบอกแล้วนี่กับพุ่งพุ่งเสียรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตา เ, เห็นไหม อนัตตาละาสูตัอนตาั้งอัตาตาปล่อยปล่อยยายืดปล่อยปล่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้นนี้จังทุกคังตามีแต่ขวากแนามมีแต่พปไฟปล่อยปล่อยยาเยียบยาย่างยาไปแตะยาไปหยับยาไปยืดถ้าไม่อยาให้ผูกเขาทั้งมือนั่นควรงานหลังเหมือนกับว่าตีข้อมือไเอาก้านนี้ตีขาไว้ไอ้ก้าไปตรงนี้จะก้าบตรงนั้นก้าไปเรื่อยก็เอาอันนี้จังทุกคังตาเป็นทางเดินนี่เกิดมา พอจะเรื่อยๆก็จเรื่อยๆนะู้สึกการพัฒราจอย่างกับทางกรอย่งางนเปาใจทีประชาติที่งดเ่ยแต่พูดตามคารินี่ผมก็พู ด, พดแล้วมอนก น, นะนรอนตุตตรกนนสูรถ้าเราจะพูดตามสูต ร, ร, จ, ตตรจริงๆสาหรับผิดผมไม่สนิกนะแต่อตริยสัจริยาสูตรผมลง100ออออรอยเปเลยพภาคปฏิ บ, บัติเป็นอย่างนั้นนี่นผมคิดว่าถ้าจะคิดว่าท่านเทศ ท่นอันมันเห็นว่นนามากเลยแล้วท่านย่นออกมาอนี้ผมก็ไม่สนิทใจมันเลยไปลงกอบผู้ที่เกิดการลึกซะมากผู้เกิดกาลึกเป็นคนประเภทใดนะถ้าเป็นพระหารเกิดการลึกแล้วจะเต็มภูมเหมือนอย่างอนัตติจักปรป ย, ยสูตรอนนั้นผมหาที่แยกมาได้เลยถ้าปฏิบัตินะลงได้อย่างสนิทร้อยเปอรเซนแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะอนัตตลักษณะสูงไม่ลงจีบนี่อืม รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาอพออันนี้เป็นอนัตตาแล้วเบื่อนายไปเลยนี่มีดังวิรากจิตวิรากายุบุจิตไปเลยคือเมื่อเบื่อนายในอาการตั้งห้านี้เลยย่อมคลายกาหนัดเมื่อคลายหัดแล้วย่อมหลุดพน้นเบื่อนายเพียงห้านี้มันหลุดพ้นได้ยังไงถ้าภาคปฏิบตัติมันไปกองอยู่ในจิตนั่นน่ะนี่มันเห็นได้ชัดชั่าอยู่ในภาคปฏิบตัติแล้วมันเป็นอย่างนี้ น, นี่นะนั่น คือมันเอาความจริงนี้ออกมายันกันพอถึงอดิตตปริญาสูตรฉันแหมแกงก็เอียกมากนะรูปปัจจุบปีดีเบรติจากโุสมิงปีดีเบรติเน่คือเบื่อหน่ายทั้งทางรูปทั้งทางตาเนี่ยทั้งทางเสียงทั้งหูเนี่ยย้อนหน้าย้อนหลังเรื่อยตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กันก็ทาให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างเมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดทั้งสุขทั้งทุกข์เรื่อยไปจนกรังถึงมนัสนปีเบติทั้เมสปเติน แล้วก็เวียนญาในปีนีว้ว่าไปหมดเบื้อหนายในจิตเบื้อหนายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื้อหน่ายแล้วเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นศาสนาอะไรๆขึ้นมาก็เบื้อหน่ายหมดเบือ้อหน่ายหมนี่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตตรงนี้เบื่อหนายเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นในว่างเลเข้าถึงนั้นหมดเลย เป็นแตกกระจายเลยแล้วนี่บินดังมิราสีเรื่อยเลยนี่ลองเต็มที่ผมแล้วน่นาตาน่าสูญ น, นี่ไปถึงขั0นห้าไปนั้นหมดเนถามจะคุณระยะคุณทานโอ้คุณริยะเวทีที่เรพูดไปตามแบบระยะเยอะเราก็เออแบบยเราก็เรียนมาแล้วกันอยู่อย่างให้ท่านแยกใ น, นทางภาคปฏิบัติถ้านไม่แยกท่านก็บูดอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้ว เ, เราก็ เราพูดไม่ได้พูดด้วยคำหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นี่แต่ทําไมนนั้นมันเป็นอย่างนั้นท่านั้นเองแล้วมันไปแบบไปหามไปยึดถือเนี่ยอถึงวาราทุกควรจะพูดกันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจหรืออะไรกันมันมีเงี้ยคลีกันบ้างนะแต่ท่านไม่ไปนั้นท่านกับไปป ร, ริยัติท่านไปปริยัติเราก็เรียนเหมือนกัน <laughs> จเจาะรียัติมอวดปริยัติมาอว ด, ะ อ, ดอะไรมันคําพีเดียวกันสูตรเดียวกันว่าเรียนมาด้วยกันจําได้เดียกันคําแปลก็รู้ได้ดวยกันนเี่ ก็เลยหยุดพอ้ยคถามแล้วอนนรกราตตาการนาสุกแย้ม ไ, ไปถึงพอขันห้าจบแล้วก็ไปเลยมีเบื่อหน่ายกิดไม่ยังไม่ถึงทำให้คิดไปถึง เ, งเรื่อผู้รจะนานี่ทําให้คิดไปหลายนั่นเหมือนกันนะทุกวันนี้แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนักก็เกี่ยวข้ อ, ของกับผู้รัจนาคำพีงหย่า น, นั้นล้นั่นมานะเป็นคนประเภทได้นี่ ถ้เป็นประเภทอรหันต์แล้วมันจะถึงใจถึงใจมาโดยระดับเลยเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี้มันยิ่งถึงกันปั๊บปัประสานกันอนี้อันนี้เอาแต่แต่ความจำท่านว่างนะครับมิตรเอาความจำไปแต่มันไม่มีคุณค่ามันมันบดมันขาดตกไปได้นี่ถ้าลงความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจแล้วว่าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันประสานกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เต็มเม็ดเต็มอ้อเราเรายกตัวอย่างเช่นหนึงอ๋เราจะไปพูด เขียนประวัติของพระละหันเอาลองดูซิเพียงความจําเรานี่จะเอาประวัติของจะเขียนพระบารมีท่านของพระละหันให้เป็นเมตต์หนวยมันเป็นไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระละหันเขียนประวัติของพระอะหันนั้น เ, นผผนน เ, เนต็ม ห, หมดเลยเนี่เพราะความจริงมันเป็นอานเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่านมันวิ่งถึงกันมากโอ้โหเลยนี่ตอนถึงขัน้นทำถึงขั้นทำละเอียดเลยทีตอนมันจะไปไม่ได้นะเอาเพียงความจำมาใช้มันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริง เป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานกันกับประวัติของท่านนั่นนะมันําคัญเราไม่เป็นยังไ ง, งโงโ่โง่ถึงแต่อาหารแบบเขาโง่อยหว่าเราเนี่อาหารแบบมึงโง่อยหรอือว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างยิ่โอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตดูจิตวะให้ใคระไปชัดยิ่งกว่าจริงจิต ร, รู้ความจริงวะนั่นหนึง่งตึ้งไกาพูดว่าสามเด่นของท่านไม่มีอะไรที่จะมาคาดัดค้านได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วี่ ฉันกล้าพ really ูดแบบผที่ก้าเพียงพระองค์เดียวท่านั้นสามารถสอนโลกได้ทั้งสามเนาเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระถ่เนี่ยแต่นั้นก็ามีความจริงอะไรน้อยทั้งร้อยพันทั้งหมื่นหมื่นแสนแ่นั้านล้านมันก็บิดแต่บบบบบบบบบบบอบนบบบบบนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบยบบบบ